วิทยุราชมงคลทัญบุรีเอฟเอปเมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต RMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลี่นีนีิ้า9 5้เมกะเฮิร์ต สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราทุกท่านนะครับก็สู่รายการ RMT u News พิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้ก็พบกับผมเดียวธนเดชการเหลือเป็นประจํานะฮะวันนี้นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่ามีหลากหลายประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเหตุปวนเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีความคึบหน้าไปพอสมควรเหมือนกันแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ ผมเชื่อว่าหลายคนมีการตั้งข้อสังเกตต่างๆอนานากันไปนะครับว่าเหตุการณ์นีน้มีใครเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่าเราเอาตามเนื้อผ้าเอาตามข้อมูลตามรายงานที่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วกันแล้วก็นักข่าวก็พยายามที่จะไปล้วงลึกรวบรวมข้อมูลนะครับารายงานให้ได้ติดตามกันนะฮะยังเหตุระเบิดหลายจุดนะที่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนั้นเรียกได้ว่าจะเป็นการสร้างสถา น, นการณ์หรือไม่อย่างไรเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าอย่างนั้น ส่วนใครมาเกี่ยวข้องนะครับที่แน่แนก่อนหน้านี้ตํารวจชุดสืบสวนนะครับของสํงานักงานตำรวจแห่งชาติสามารถควบคุมตัวคนที่เกี่ยวข้องการวางระเบิดที่บริเวณด้านหน้าป้ายของสํงานักงานตํำรวจแห่งชาติได้อย่างทันควันเป็นชายวัยรุ่น2คนนะฮะเดินทางมาจากทางใต้จังหวัดนาราธิวาสคาดว่าน่าจะเดินทางมาวันที่31 การรักกะดาคมและพอมีการก่อเหตุแล้วก็คือว่าวางระเบิดในวันที่หนึ่งตั้งให้มีการระเบิดในวันที่สองหลังจากนั้นก็เดินทางกลับพื้นที่ภาคใต้ตำรวจเขาแกะรอยจากภาพวงจรปิดนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับว่าแม่ตามรวบได้จับได้ในขณะที่โดยสารพลรัถัวว่าอย่างนั้น สองคนนี้เนี่ยตรวจสอบไปแล้วนะครับว่าเป็นชายที่ว่ามาจากภาคใต้นี้สถนานการณ์เนี่ยที่เราเห็นมีการบังเบิดหลายจุดนะเนยมันเกี่ยวโยงกับในพื้นที่ภาคใต้ไหมตรงนี้เนี่ยต้องรอชัดๆจากฝ่ายความมั่นคงนะเพราะว่ามีข่าวลือข่าวลวงออกมาต่างๆนาน า, นาอย่างเช่นเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ฟังฮะ ประเด็นเนี่ยที่ตำรวจเาออกมาพูดกันให้สัมภานักข่าวได้ที่บอกว่าผู้ตงหาบุ่มป่วนเมืองนั้นเพราะว่าแคนกองทัพตำรวจบอกว่าไม่ใช่นะี่มันข่ามั่วนะแล้วก็ยังบอกสื่อด้วยอย่าให้ประชาชนสับสนเพราว่าล่าสุดนี่นะครับพันตำรวจเอกกิษณะพะัฒนาเจริญรองโฆษกสนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกถึง กรณีเหตุลอบวางระเบิดหลายพื้นที่ทั่วในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนะและตารวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้สองคนนั้นจากนั้นนี่คือว่ามีสื่อบางสํานักนะครับรายงานว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนที่จับกลุ่มตัวได้ยอมเปิดปากรับสารภาพทั้งหมดแล้วจนทราบว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก8คนซึ่งทุกจุดผู้ก่อเหตุต้องการมุ่งวางระเบิดจริงทั้งหมดและตามจุดต่างๆ ส่วสาเหตุสาคัญที่ผู้ก่อเหตุขึ้นมาก่อเหตุปวดมือในครั้งนี้เนื่องจากแก้แค้นไม่พอใจที่บอกว่าก่อนหน้านี้กองทัพภาคสีได้คุมตัวแนวร่วมไปสอบสวนแล้วเสียชีวิตในค่ายทหารจนเป็นใจให้ให้เกิดก่อเหตุ ด, ดังกล่าวเรื่องนี้ตํารวจบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับผู้นิฟังครับอีกทั้งแล้วคือว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวซึ่งตํารวจเนี่ยยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนขยายผล ก็บอกว่าขอเวลานะครับว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทํางานให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถชี้แจงต่อสังคมได้นะฮะแล้วก็บอกว่าขอเตือนไปยังสื่อที่นําเสนอพิมพในรูปแบบที่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมแล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรบอกว่าโปรดรับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่แก่ประชาชนเป็นสำคัญเพื่อป้องกันการรับข่าวสารที่ทําให้เกิดความสับสนก่อให้เกิดการตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความเกลียดชัง แล้วก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นมั่นใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจรับฟังข่าวสารจากทางรัชกาศเท่านั้นนะก็ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าแหมมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นหลายจุดแล้วรวบตัวได้นี่ต้องชื่นชมนะฮะตอนนี้เขาก็มีการสอบปากคำอยู่น่าจนานนะครับแน่ๆ น, นะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นต้องมีหลายคนแต่ทีนี้มีสองคนนครับผู้ทฟังครับไปก่อเหตุ ที่บริเวณพหลรมเก้าห้าสิบเจ็ดทับหนึ่งตำรวจก็จับได้แล้วสามคนแล้วยอมรับด้วยนะครับว่าเป็นนักศึกษาของสาร บ, บัญแห่งหนึ่งแต่พอมีการสอบปากคำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจเจ้าเด็กหนุ่มนี้บอกว่าไม่ได้มาตั้งใจป่วนเมืองนะฮะเพราะว่าจุดที่ว่าไปพบเนี่ยนะครับมีการซุกซ่อน พวกเครื่องไม้พวกเครื่องมืออาวุธต่างๆนะครับเอาไว้ในจุดนั้นด้วยแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นในครั้งนี้มันเป็นจังหวะพอดีพอดีเลยนะฮะนี่มีภาพของผู้ต้องสงสัยครับที่ไปก่อเหตุระเบิดศูนย์ราชการเนี่ยนะฮะมีภาพวงจรปิดออกมาเป็นชายต้องสงสัยที่ก่อเหตุบางระเบิดบริเวณสู่ราชการแจ้งวัฒนะ แล้วคนขับแท็กซี่เนี่ยมาให้ปากคำยอมรับว่าขึ้นมาจากย่าดังสิทธิ์แต่ไม่ชัดว่าผู้สำเนียงใต้หรือเปล่าจากกรณีการวางระเบิดพวนกรุงเทพมหานครนะครับของกลุ่มผู้มีหวังดีตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมนั้นแล้วจุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือบริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งพัฒนะจุดนี้นี่มีคนเจ็บด้วยนะฮะพบเหยื่อระเบิดถึง4จุดล่าสุดก็ ได้มีการประสานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดครับเพื่อติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุครั้งนี้แล้วก็ทําให้ปรากฏภาพของผู้ต้องสงสัยแล้ว2คนด้วยกันคือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ราชการนะครับเผยให้เห็นบุคคลต้องสงสัย2คนนะครับลักษณะคือว่ามีท่าทางพิรุษแต่งกายมิดชิดปิดบังอําพรางใบหน้าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เรียกคนขับรถทิกซี่นะครับ ที่วพาผู้ต้องสงสัยนีมาส่งที่ศูนย์ราชการมาสอบสวนแล้วก็มีการเปิดเผยว่าได้รับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนเนี่ยมาจากบริเวณห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขารังสิตนะครับคนขับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนครับสวมหน้ากากผ้าปิดบังใบหน้าไว้แล้วก็ใส่หมวกตลอดเวลาเลยโดยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาคือว่าชายที่สวมหมวกสีดำเนี่ย ตีเรียกรถแล้วก็บอกให้ส่งที่สูนยราชการอาคารบีแล้วก็พามาส่งถึงตอนเวลาประมาณ15ในในกาแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยพูดกันด้วยสำเนียงใดใน่จากว่าทั้งคู่นะครับแทบจะไม่พูดคุยกันเลยบนแท็กซี่อย่างไรก็ตามนี่นะครับผู้ต้องสงสัยทั้ง2งคนนี้นะครับมีข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นชายอายุประมาณ45ถึง55ปีครับชายคนแรกนี่คือว่าสวมเสื้อสีขาว กางเกงลายสีน้ำตาแล้วก็ใส่หมวกสีดําด้วยสูงประมาณ1 6ึ่เซนติเมตรนะครับแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดําส่วนชายอีกคนครับมีรูปร่างท้วมกว่าผิวขาวใส่หมวกสีขาวครีมครับแล้วก็สะพายรวมถึงพาดกระเป๋าเอาไว้2ใบก็ยังอยู่ระหว่างในการตรวจสอบแล้วก็หาบาะแสของผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะนี้ถ้าเกิดว่าจะมาไล่เลี่ยงกันแล้วนีครับคุณทุกฟังครับ ตามไทม์ไลน์เนี่ยอย่างที่เกิดเหตุสุรราชการแจ้งวัฒนานี่นะฮะตั้งแต่7จ็นกาแนะครับลูกที่1เนี่ยคือว่าระเบิดหน้าคานบีชั้นลานจอดรถเวลา9ก้นกานะครับลูกที่2นั้นระเบิดหน้าสาบบัวริมทางเท้าหน้ากองบัชการกองทัพไทยนอกจากนี้ก็ยังไปพบระเบิดบริเวณใกล้เคียงแต่ว่าระเบิดไม่ทํางาน10บนกาสี่นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่ทํางานไปทําลายพร้อมกับ ทำสำเร็จแล้วตอนนั้นคือว่าอยู่ระหว่างการเตี๊ยพื้นที่นี่นะฮะจุดที่2เนี่ยคือว่าอยู่แถวหน้าตึกมานาครแล้วก็พงหญ้าใต้บันได BTS ช่องดอนสีนี่นะฮะและไปเกิดขึ้นเวลา8นาฬิกา36นาทีคือว่าเสียงคล้ายกับระเบิดดังขึ้น2ครั้งที่บริเวณหน้าตึกมานาครแล้วก็พงหญ้าใต้บันไดาทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องดอนสีฝั่งตึกมานาคร หน้าที่ดศาความปลอดภัยของตึกมหานครได้รับบัดเจ็บเล็กน้อยมีรถยนต์กระจกร้าวทั้งบานจากแรงระเบิดนี่นะครับจุดที่สาเนี่ยนะฮะสยพระรามเก้าแยก57ทับหนึ่งที่ผมไล่ไปไปเกิดเหตุตอนเก้านาฬกาครับแล้วพ น, นัพนากงานกวาดถนนของกรทมเขตสวนหลวงเนี่ยได้กวาดถนนไปถูกถุงบรรจุ ร, ระเบิดปิงปองอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แล้วก็มีดก็ทําให้ถูกสเกลระเบิดได้รับบาดเจ็บ3คน เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจับได้นะครับเป็นเด็กสถาบันแห่งหนึ่งยอมรับนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไม่ได้มาป่วนเมืองว่าอย่างนั้นส่วนจุดที่4ครับหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยครับไปเกิดขึ้นตอนก้าในนการเหมือนกันไปเกิดเหตุนะครับบริเวณสาบัวหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยใกล้กับศูนย์ราชการนะฮะ สิบ น, นการครับไปพบวัตถุต้องสงสัยอีกจุดหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งอยู่ดีก็มีการปิดกั้นพื้นที่จุดที่5ครับป้ายหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับแต่ว่าไปเกิดตอนเวล10นา10บนกาห้านาทีนะครับเพราะว่าดีเสียงดังคล้ายกับระเบิดหน้าสำนักงานรปลัดกระทรวงกลาโหมถนนสีสมานะอำเภอปากเกร็ดจงังหวัดนนทบุรีแรงระเบิดก็ทําให้พงหญ้าร่าไปหน้ากลองเลยแล้วก็เป็นหลุมลึก1เมตรนะฮะทีนี้ สิบสนาฬกาเนี่ยก็ไปพบวัตถุต้องสงสัยที่บันไดาทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า BTS สลาแดงบดสนุนสีลมนี่คือจุดที่6นะครับส่วนจุดที่7ครับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิหัวหมากครับไปเกิดขึ้นตอนเวลา12บสนากาสี่นาทีก็มีราย ง, งานว่าพบวัตถุต้องสงสัยใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงหัวหมากจุดที่8ครับคือท่าเรือยอดพิมานฮะ เจ้ที่บอกว่าไปเกิดขึ้นตอน15เนนกาครับประชาชนก็แจ้งผ่านแอปพลิเคชันว่าพบกระเป๋าต้องสงสัยที่ท่าเรือยอดพิมานเขียพระนครกรุงเทพใกล้กับสะพานพระปกเกล้าแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเพียงกระเป๋าสัมภาระมีเจ้าของเนี่ยมาแสดงตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรายงานนะครับว่าไปพบวัตถุกต้องสงสัยอีกหลายจุดซึ่งที่ผ่านมาคือว่าฝ่ายความมั่นคงก็สามารถที่จะระ ง, งับเหตุได้แล้วดังนั้นครับผู้ฟังเองสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้ หากว่าเจออะไรที่มันแปลกนะฮะน่าสงสัยแจ้งแอปพลิเคชันโพลิสไอเลสอยู่ก็ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วกันนะฮะอะไรอยู่ช่วงนี้พักกันสักคู่ก่อนนะครับช่วงหน้าครับยังมีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้หนักที่จังหวัดสงขลาด้วยสักคู่มาติดตามกันนะครับ R MUTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เามกะเฮิรตไลน์ออฟฟิเชียล R MUTT พร้อมให้บริการข่าวสารกับทุกท่านแล้วค่ะโดยคลิกที่แอปพลิเคชัน Line แล้วพิมพ์ rmutt จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธั ญ, ญบุรีแล้วค่ะ Line o f f ฟ c i a l rmutt ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย Line. RMU TT News ปรกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี 89. ้ 89.5 เมกกะเฮิร์ก็สู่ช่วงที่2ของรายการ RMU TT News ปรกัดข่าวเด่นนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะมีหลายเหตุการณ์นะครับที่อยากจะมาไล่เลื่องให้ฟังกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงงานผลิตถุงมือยางสงขลานะฮะแล้วคนงานเสี่ยวชีวิตเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันเจ้าละหวันเลยเพราเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้เกิดเหตุว่าไฟลุกไหม้โรงงานผลิตถุงมือยางก็เป็นโรงงานผลิตถุงมือยางขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ตบำบลกําแพงเพชรอําเภอรัต ภ, ภูมิจังหวัดสงขลาครับได้กัน4อุหาโดยไฟได้ลุกไหม้อยา่างรุนแรงกินพื้นที่ ทั้งในส่วนของจุดที่สําคัญสําคัญแล้วมีกลุ่มควันไฟดําทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นจากระยะไกลเลยนะครับปีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะขณะเกิดเหตุก็มีคนทํางานอยู่ภายในโรงงานประมาณ400คนก็พากันวิ่งหนีออกมาจากโรงงานได้ทันทีนะฮะและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บตอย่างใดขณะที่นางพิมทาดาจันทร์สุริยาในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก็ได้มีการประสานขอรถดับเพลิง ทั้งในพื้นที่และอำเภอรัตภูมิแล้วก็พื้นที่อำเภอใกล้เคียงรวมถึงสถานการ์ป้องกันและบันเทาสาธารณภัยเคสิสงสงขาครับเข้ามาฉีดน้ําดับไฟแต่ว่ายังเอาไม่อยู่และไม่สามารถควบคุมไฟไว้ได้อาจต้องใช้เวลาตลอดทั้งคืนครับโดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้ํามันเต่าจํานวน2 0 0 0 0ืลิตรที่อยู่ในโรงงานซึ่งอาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าความร้อนเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ําหล่อเลี้ยงควบคุมเอาไว้นะครับ พรกับมีการการพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดและอาจจะต้องใช้เวลาดับไฟตลอดทั้งคืนด้วยนะฮะทีนี้สาเหตุเนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่ า, า จ, จะเกิดไฟฟ้าช็อตในโรงงานหรือเปล่าแล้วก็ไฟได้ลุกลามของมือยางซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยนะฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วอยากจะเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับมีประเด็นเนี่ยที่ตํารวจ ก็พยายามจะยิงสูนักตัวหนึ่งแต่ว่ามันชันลับไปดูคนผู้หญิงเสียชีวิตทันทีนะฮะแล้วมีภาพจากวงจรปิดในประจําการของตํารวจครับเผยให้เห็นนาทีระทึกเจ้าหน้าที่ ห, น, หนุ่มเพิ่งจบหม่ชักปืนไล่ยิงสูนักเพราะว่าตกใจที่ว่ามันวิ่งเข้ามาทําให้กระสุนเนี่ยครับไปโดนหญิงสาวที่ยืนห่างๆเสียชีวิตแทนโดยส ต, ต๊าฟข่าวต่างประเทศก็รยายงานว่าสัตน์การตํารวจเปิดเผยคลิปภาพจากกล้อง ประจําการของเจ้าหน้าที่ตํารวจฝึกใหม่หลังจากที่ได้ล่นไกนะครับยิงใส่สุนัขตัวหนึ่งที่พยายามจะวิ่งเข้ามาจู่โจมเขาแต่ปรากฏว่ากระสุนสามน้าที่ยิงออกไปเนะี่ยไปถูกหญิงสาววัยสาปีเป็นเจ้าของของสุนัขตัวดังกล่าวทําให้เธอนั้นเสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นคดีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะ น, นี้ตามรายงานเนะี่ยบอกว่าเหตุดังกล่าวนะั้นเกิดขึ้นที่เมืองอาร์ดิงตันชานเมืองของนครดันลัสว่าเท็กซัสนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เอง โดยสํานั ก, การ์ตำรวจนครดัลลัสก็ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกใหม่คนนี้จากภาพเนี่ยจะเผยเห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังเดินอยู่ตรอกแห่งหนึ่งก่อนจะไปพบกับนางสาวบรู๊ควัย30ปีกับสุนัขตัวหนึ่งอยู่ไกลๆเขาก็ได้ออกปากสอบถามแล้วก็ทักทายเธอจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามเธอว่านี่เป็นสุนัขของคุณหรือทันใดนั้นครับสุนัข ก, ก็ได้ส่งเสียงเห่าแล้วก็ เริมวิ่งตรงไปหาเขาทําให้เขาตะโกนร้องถอยไปเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินถอยหลังในท่าระวังครับก่อนที่จะชักอาวุธปืนประจำกายขึ้นมาไล่ยิงใส่สุนัขสามนัดต่อมาครับได้ยินเสียงผู้หญิงในกรีดร้องดังขึ้นมาว่าโอ้พระเจ้าขณะที่สุนัขครับก็ได้ตกใจเสียงปืนนะฮะก็วิ่งตะลอยไปคือสุนัขตัวดังกล่าวนั้นเป็นพันผสมลาบาร์นะฮะน้ําหนักประมาณ18กิโลกรั พยานที่เคยเห็นสุนัขตัวนี้บอกว่ามันเป็นสุนัขที่ดูเป็นมิตรแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีดูร้ายด้วยขณะที่นางสาวรุ่งเป็นลูกสาวของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงแห่งหนึ่งนะครับในเมืองอาร์ลิงตันเธอก็ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยิงเข้าที่ส่วนบนของร่างกายก่อนที่จะเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าใจนะฮะคือเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคงมโมเดร์การเป็นอย่างมากครับเพราะว่าหลายคนมองว่าเป็นการการะทาที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ชักอาวุธปืนออกมาไล่ยิงใส่สุนัขอย่างไร้สติทำให้กลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วแล้วก็ต้องการดาเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจนะครับพบ ว, ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคู่กรณีนั้นเป็นตำรวจฝึกใหม่ครับอายุ25ปีขอเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนในร้อยตารวจ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่แล้วก็มีต้นสังกัดอยู่ที่เมืองแห่งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมเขายังไม่เคยใช้วุปืนในการปฏิบัติหน้าที่มาก่อนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่ชักอาวุธปืนประจําการออกมามีรายงานว่าขนาดนี้นะครับเขาได้ใช้สิทธิ์ขอลา ง, งานชั่วคราวครับขณะที่พยานระแวกจุดเกิดเหตุบอกว่าเคยพบเห็นนางสาวรู่กับแฟนหนุ่มออกมาเดินเล่นพร้อมกับสุนัขตัวนี้อยู่บ่อยๆครับโดยสุนัขตัวนี้ก็เป็นมิตร ไม่เคยมีนิสัยดูรายให้เห็นมันชอบมาสุดดมกระดิกหางไปมาเวลาผู้คนผ่านไปเจอมันหรือว่าทักทายมันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนี่นะฮะโอ้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับต่างประเทศเนี่ยคือมีการสู้กับสุนัขในการใช้วุปืนบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องของการทาลุนกรรมสัตว์นะฮะว่าเป็นการป้องกันตัวมันมาทําร้ายอะไรเงี้ยกฎหมายก็ยังพอให้ ให้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะจูคุณไปยิงคุณไปทารุณเขาแบบนี้นี่คือว่าไม่ได้นะครับแล้วมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับที่ต่างประเทศนะฮะคือมีหญิงชร า, าวัยจุปีครับอาศัยอยู่ที่รัฐโอไฮโอนะในสหรัฐอเมริกาถูกตัดสินจําคุกเป็นเวลา10วันครับเนื่องจากว่าละเมิดข้อบัญญัติเมืองที่ระบุว่าห้ามให้อาหารแมวจรจัดแนนซี่ซูกูร่าครับเป็นหญิงที่อาศัยอยู่ใน กาฟีไฮส์ชาตเมืองของคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอให้สัมภาษณ์กับสื่อ น, นะครับว่าการให้อาหารแมวแถวบ้านเนี่ยทำให้เธอรู้สึกอบูนใจแล้วก็คลายเหงาได้หลังจากที่สามีของเธอนะครับเสียชีวิตไปเมื่อปี2017และบอกว่าฉันเนี่ยเริ่มให้อาหารลูกแมวจรจัดตั้งแต่ปี2017เมื่อก่อนเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยเลี้ยงแมวคู่หนึ่งแต่ว่าเขาทิ้งแมวได้ไว้ตอนที่ย้ายบ้านเธอก็บอกสํานักข่าวฟ็อนะครับว่า ฉันเอาข้าวไปให้มันเสมอแล้วก็คอยดูแลพวกมันด้วยความเป็นห่วงและก็เป็นคนรักแมวด้วยนะฮะนหน่วยงานตำรวจเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน a ฟ e b o o k นะครับตั้งแต่ต้นปี2015สิบศูนย์ควบคุมสัตว์ได้รับคมร้องเรียนกรณีนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากจากผู้อาศัยอยู่ในย่านเดียวกันกับเซก u ล่าแล้วโพสต์รังกา บ, บอกว่าการให้อาหารแมวจรจัดเป็นการละเมิดข้อบัญญัติเมืองนะฮะ และก็ผลจากการละเมืิอขอมดข้อบัญญัตินี้มักจะทําให้แมวจรจัดจํานวนมากเนี่ยย้ายมาอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งก็สร้างความําค่าให้แก่เพื่อนบ้านหน่วยงานก็ระบุว่าพวกเขาเนได้ขอร้องให้เซอร์กูลา่าหาวิธีการอนุรมรวนเพื่อย้ายแมวในพื้นที่ อ, อุกไปแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับขอ้อบัญญัติเมืองดังกล่าวให้เธอฟังแต่ว่าเซอร์กูล่าก็ยังคงไม่หยุดให้อาหารแมวนะครับแล้วสื่อรายงานว่าเซอร์กูลา่าเคยถูกปรับฐานให้อาหารแมวจรจัดเป็นเงินมากกว่า 2,000 ัดอลลาร์นะครับหรือประมาณ6กหมืนบาท แล้วก็มีคำสั่งจำคุกเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมด้วยอย่างไรก็ตามเนี่นะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์บอกว่ามีข้อโต้แยง้งเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งเจนนิเฟอร์เวิลดเลอร์ผู้พิพากษาศาลเทศบาลกราฟิลไฮจึงตัดสินใจที่จะทบทวนการพิจารณาคดีเพื่อไตส่สวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะตัดสินว่ามีทางเลือกอื่นที่จําเป็นต้องใช้นอกเหนือจากการจําคุกด้วยหรือไม่นี่นะฮะเออ นี่ครับแต่บ้านเราเนี่ยเราก็จะพบเห็นนะครับว่าคนใจบุญต่างๆ น, น, นะนานาเนี่ยเขาก็มาให้อาหงอาหารสุ น, นัขจอนจัดแมวจอนจัดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มไหมอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาอ้างมาว่ายิ่งไปให้มันมันก็จะมีการรวมตัวกันของสุ น, นัขจรจัดหรือว่าแมวจอนจัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว นอกเหนือจากนี้ครับมีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับสุนัขนะวันนี้ผมพูดเรื่องนี้เยอะเนะือาะว่าเป็นเ่อรดาวน่ารักน่ารักคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นภาพจากโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับมีภาพสุนัขตำรวจเนี่ยตอนช่วงที่ว่าไปตรวจสอบเหตปปวนเมืองในวันศุกร์ที่ผ่านมานครับแล้วก็ไปเห็นว่ามีสุนัข2ตัวนะฮะแบบหมอบกับพื้นอะนะนะแล้วก็ไปดมหมูฝอยนะครับนอนราบกับพื้นเลย อนนี้มีคนเนี่ยเขาเข้าไปทำข่าวเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะชื่อว่าเจ้าเบนกับเจ้าโรโบโรนะครับเป็นสุนัขฝึกเคนครับตอนนี้คือว่ากําลังโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลเลยเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากคือจมูกเนี่ยซุกถูมือฝอยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในช่วงที่ว่าปฏิบัติภารกิจเนี่ยเจ้า2ตัวนี้นะฮะก็ไปพร้อมกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดดีโดี เพื่อตรวจตาความปลอดภัยภายในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเดีมทหลังจากที่ว่าเกิดเหตุระเบิดป่วนหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าภาพของเจ้าสุนัขสอตัวนั้นปรากฏว่านําจมูกไปซุกเข้าที่ถุงหมูฝอยของผู้โดยสารก็กลายเป็นภาพแวร์ล็อกไปทั่วโลกโซเชียลเลยและล่าสุดนะฮะคือเพจเฟซบุ o กสตีด e ีโร่โ Project ก็พาสุนัขเคนายทั้ง2ตัวออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการยืนยันว่าจมูกที่ซุกเข้าไปดมหมูฝอยถุงใหญ่นั้น เป็นทรงหนึ่งนะครับในภารกิจที่สุนัขได้รับการฝึกฝนให้ตรวจสอบวัตถุที่พบเห็นโดยสุนัขพันธุ์ลาบาร์ดอวีทิเวอร์ทั้งสองตัวก็คือเจ้าเบนนะฮะตัวสีดําอายุ1ปี6เดือนและก็เจ้าโรโบโ ต, ตัวสีน้ําตาลอนอายุ1ปี3เดือนฮะเจ้าเบนกับเจ้าโรโบเนี่ยก็เป็นสุนัขฝึกที่สังกัดอยู่เอมอาีเนหรือว่าสุนัขตรวจ ต, ตรา บ, บนระบบรถไฟฟ้าเอมอาทีทหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ที่ใช้บริการนะครับและก็ยังมีทีมงานคนอื่นๆเนี่ยร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่ละวันด้วยจนที่ย้าว่าเจ้าสุนัขสองตัวนี้เป็นสุนัขที่มุ่งมั่นในการทําหน้าที่เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าจะกลายมาเป็นสุนัขเคนายเหมือนกับเจ้าเบดและก็เจ้าโดูโบนี่ต้องผ่านการฝึกเป็นอย่างมากโดยข้อกําหนดของสถาน ก, การต์ตบดของชาติของไทยนั้นได้กําหนดคัดเลือกให้มีการฝึกสุนัขเพียง2สายพันธุ์นั่นก็คือรามบดอร์ดทิเวอร์เป็นสายพันธุ์ที่มีทีมกําเนิดอยู่ที่ แคนาดาและก็เจอร์มาเยอรมนีฮะแคนาดานะฮะแล้วก็ส่วนเจอรมันเชเิลด์เนี่ยหรือที่เรียกกันว่าอาซเชียนนั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีทิ่งกำเนิดในประเทศยเยอรมนีคือ2สายพันธุ์นี้นะฮะคือนำมาใช้ในการฝึกนั่นเองโดยการฝึกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สุนัขอายุ4เดือนครับหลังจากนั้นเมื่ออายุ8เดือนก็จะให้เริ่มทดลองงานนาราวเดือน หาผ่านการทดลองงานประจนอายุครบ1ปีครึ่งก็จะได้เลื่อนยศเป็นสุนัขตํารวจตรีทำงานต่อ3ปีเมื่ออายุสิปีครึ่งได้เลื่อนยศเป็นสุนัขตํารวจโททํางานต่ออีก3ปีเมื่ออายุ7ปีครึ่งก็จะได้เลื่อนยศเป็นสุนัขตํารวจเอแล้วก็ทำงานต่ออีก2ปีจากนั้นเมื่ออายุเก้าถึปีสุนัข ก, ก็จะได้รับการปลดประจําการนั่นเองนะเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับส่งต่อกันในโลกโซเชียลนด้เบิกไปนะฮะ เอาละัวันนี้พอสมควรนะครับคุณฟังครับขอบคุณมากที่คอยติดตามการรายงานข่าวจากรายการเ m u t ยูทีทีพิการข่าวเด่นนะครับฝากผลงานด้วยนะครับรายการบรรใหมกไทยพีวีเอสทางดิจิตอล HD3 ตั้งแต่ตีห้านะครับยาวเรื่อยไปเลยแล้วก็มีในการข่าวออนไลน์รายการล้อมวงข่าวด้วยนะครับขอบคุณมหาพิจยาลัยเทคตรงนี้ราชมบุรีนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดเลยนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ